ต้องสู้ทุกรูปแบบการภาวนาสู้ในตอนที่อยู่เงียบๆไม่มีเสียงอะไรมารบ ก, กวนแล้วสู้ในเวลาที่มีเสียงรบ ก, กวนทำใจมันได้ก็ในโลกนี้ มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็มีอยู่อย่างนี้เราจะหลีกไปไหนมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละถ้าคูู้ใดยังมีจิตกวนไววอยู่กับเสียงต่างๆเช่นนี้แสดงว่าจิตของคูู้นั้นนะไม่เป็นสมาธิเรียกว่า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 กรรมดีกรรมชั่วนั้นจึงได้นำจิตปัญญาห น, นีไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สวยสุขบั่งสวยทุกข์บั่งไปตามกรรมที่ทำนั้นนั้น <c oughs> ก็ผู้ภาวนามันก็จะต้อพิจารณาให้รู้ต้นเหตุที่นำให้ดวงจิตนี่เทีท่ยวเกิดเทีท่ยวตาย ภาในสงสารนี่อย่างนี้เศรษฐสุขบ้างเศรษฐทุกข์บ้างแต่ผลสุดท้ายก็เศรษฐทุกข์เพราะเมื่อเวลาคนเรานะ่ะเจ็บป่วยหนักเข้าทีานี่แล้วหาความสุขน้อยหนึ่งก็ไม่มีเมื่อเจ็บหนักเข้าไปก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียว ถ้าบุคคลไม่ได้ฝึกผนจิตใจให้หนักแน่นไม่มีปัญญารู้เท่าทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วนั่นจึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายเวลาเจ็บหนักเข้ามาขาดสติสมัชสัญญาเมื่อจิตกระวนกระวายไปแล้วจิตตั้งไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่มีสติ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 พอได้ฝึกสติธรรมะสัญญาได้ฝึกสมาธิมาแล้วได้ฝึกใจให้ตั้งมั่นมาแล้วก่อนที่ความเจ็บความตายจะมาถึงเพราะฉะนั้นการฝึ ก, กจิตใจในี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของมนุษย์เราผู้ใด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 ดังนั้นควรควรพากันเห็นความสำคัญของการฝึกขนจิตนี้ให้มากๆทีเดียวเ <c oughs> <c oughs> มื่อเป็นผู้ที่เคยฝึกมาแล้วเดี๋ยวนี้เคยมีสติควบคุมจิตของตนในเวลานั่งภาวนาอยู่จิตใจสงบอยู่ด้วยอาการอย่างไร เมื่อออกจากสมาธิไปแล้วก็ไม่ลืมจิตอ น, นั้นมีสติกำหนดรู้จิตอ น, นันอยู่เมื่อรู้สึกว่าจิตของตนเป็นปกติอยู่ก็ประครับประครองให้เป็นปกติอยู่เรื่อยไปถ้ารู้ว่าจิตนั้นยังวนน่นไหวด้วยเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่งี่ก็ฝึกจิตนั้นให้ตั้งมั่นในเข้มแข็ง ขึ้นกลัวเก่าไม่ให้มันวันไหวไปตามเหตุต่างๆนี่มันขึ้นอยู่กับการฝึกนาะจิตนี่นะเราจะอยู่เฉยๆแล้วจะให้มันเข้มแข็งไปเองนั่นไม่ได้อืมเราฝึกเวลาที่มันมีเหตุมากระทบกระทั่งนั่นแหละถ้ารู้มันวนไหวเราก็สะกดจิตไม่ให้มันไหวอ ย, อย่างนี้นะ ถึงเรียกว่าฝึกถ้ามันนวนไหวไฟก็ปล่อยให้มันวนไหวไฟอย่างนี้ก็ไม่ใื่ว่าฝึกจิตใจอืมให้เข้าใจเราฝึกไปพร้อมกันแนี่ยกับเวลามีเหตุอะไรอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็หัดอดหัดทนหัดพิจารณาสอนจิตให้รู้เท่าตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งดีฝ่ายดีก็ดีฝ่ายชั่วก็ดีไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้เมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถือมั่นในเรื่องที่กระทบกระทั่งนั่นจะดีก็ตามชั่วก็ตามเมื่อเมื่อจิตไม่ยึดถือไม่วันไหนไปตามแล้วมันมันก็ดับไปเองมัน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 อไอ้ฤทธิเดดของอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วต่างๆนั่นนะทุกคนนั้นต้องพิจารณาให้รู้เป็นของร้อนนะอืมไออารมณ์ดีหมายความว่าอารมณ์ดีอารมณ์ที่หให้น่าให้หน่ายินดีให้หน้าพอใจให้หน่ากำนัดอันโมนี้นะเป็นของร้อนทั้งนั้นเลยเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเรามันก็เผาใจร้อน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 อันนี้เรียกว่าเป็นปีติในธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมปีติสุขขังเสติวิปปสัณน เ, นเจตาเศ้าผู้มีปีติอยู่ในธรรมย่อมไม่เดือดเนื้อร้อนใจย่อมมีความสุขเป็นผลอย่างนี้เนี่ยแสดงว่า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 ความยินดีในธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลความยินดีในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสความรักความใคร่ความต้องการปรารถนาต่างๆนี่อันแล้วความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันที่ตนเห็นว่าน่าเกลียดน่าชังแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาอะไรหมนี้นะ นี่แหละอารมณ์มันที่ก่อให้เกิดความยินดียันร้ายในใจมันต้องมีสองประเภทอย่างนี้เอกประเภทหนึ่งพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเต็มไปด้วยภัยพิบัตรอันตรายต่างๆเช่นนี้แล้วก็เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมา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 ทางให้หลุดให้พ้นจากธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ไปได้ที่ความเบื่อหน่ายอันเกิดจากกิเลสซึ่งอย่างเช่นว่าไปเห็นบุคคลใดคนหนึ่งไม่ถูกกับอัธยาศสัยของตนเห็นเวลาใดก็นึกเบื่อหน่ายคนผู้นั้นเวลานั้น ไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากพูดด้วยอันนี้เนี่ยว่าเป็นความเบื่อหน่ายประ ก, กอบไปด้วยโทสะคือความโกรธประกอบไปด้วยโมหะความหลงไม่ใช่เป็นความเบื่อหน่ายที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ในสงสารนี่จะต้องให้เข้าใจในความเบื่อหน่ายทั้งสองประเภทดังกล่าวมานี้ ความเบื่อหน่ายประเภทที่ว่านี่เราไม่ควรทุ่งเสริมถ้าว่าเป็นอยู่เช่นนี้ก็จิตใจมันมีลำเอียงอยู่มันก็ไม่เป็นทางสายกลางได้เลยอย่างนี้แหละท่านเมื่อพบบุคคลหรือว่าสิ่งของอันเป็นที่นักพออกพอใจอทั้งตน ก็ยินดีพอใจรักให้บุคคลผู้นั้นอแล้วก็สิ่งของนั้นนั้นอย่างนี้นะเมื่อพบกับบุคคลที่ไม่ถูกกับลัง ใ, ใจใจคอของตนขึ้นมาหรือว่าพบได้สิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ตนต้องการอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายโกรธเกลียดชังขึ้นมาอย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเป็นกลางได้ยังไงจิตนะอืมมันก็เอียงไปเอียงมาก็ไม่ใช่หนทางไปสู่พระนิพพานจะแล้ววันนี้อืเป็นห น, นทางให้เกาะให้คล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้เพราสัตว์โลกทั้งหลายนะก็สังเกตดูตั้งแต่เกิดมาโ น, น่นแหละตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กอยู่นล้น มันก็มีความพอใจกับความไม่พอใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ในใจอืเด็กๆถ้าเอาสิ่งของที่มันพอใจให้มันเล่นอย่างนี้โอ้มันไม่ร้องให้อืมันเล่นหัวอยู่ยงั้นน่ะถ้ามันได้สิ่งของที่มันไม่ชอบใจมันและมันไม่เอาไม่ร้องให้อืนั่นแสดงว่าคนเรานี่น มันยึดมันมันสร้างเอาความยินดียินร้ายติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู้นเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาจะเป็นเด็กเป็นเล็กคนนี้นมันก็แสดงกิเลสเห ล, ล่านี้ออกมาให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญไว้ใหญ่โตมาก็จึงแสดงออกซึ่งความรักความชังอันนี้เรื่อยมาอืม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 จึงไม่มีความสุขความสบายได้ถึงจะมีความสบายก็สบายได้เป็นครั้งคราวเท่านั้นเองแล้วในที่สุดก็ไม่สบายก็เดือดร้อนใจเป็นอย่างนั้นต่อวันนี้ อาการของจิตนี่มันเป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาขอยพากันพิจารณามันเห็นเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันจึงหาความสุขไม่ได้แล้วนี่ยอืละดังนั้นพระบรมศ า, ศาส์ดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้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 แม้ว่าผู้ใดจะมีความรู้สักเท่าใดก็ตามถ้าไม่รักษาจิตตัวเองแล้วก็ไม่มีทางนะจะหลุดพ้นจากกิเลสและของทุกไปไดอ้อันเมื่อเวลาที่จิตใจยังไม่ทันบรรลุโลกุตระธรรมนี่นะยังตกอยู่ในโลกิยธรรมนี่มัน ต้องรักษาต้องควบคุมอยู่เรื่อยไปอุปมาเหมือนอย่างเด็กที่เกิดใหม่ที่ยังไม่รู้เรียงสาพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ต้องประครบประงมดูแลไม่เช่นนั้นแล้วเด็กก็สมสารไป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 อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเน <recess ed isolation> <ând> ี่ยเมื่อจิตนี้ยังอยู่ในโลกียธรรมธรรมดาโลกียธรรมนี่มันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนี่มันควบคู่กันไปอยู่อย่างนี้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 อันกายวาจานี่ถ้าหากว่าฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วความประพฤธทางกายทางวาจานี้มันก็ดีไปสม่ำเสมอไปเพราะว่าความประพฤธทางกายวาจามันมาจา ก, กจิตจิตเป็นผู้วงการถ้าจิตเป็นชิ้นเป็นธรรมแล้วอย่างนี้มันก็ประคับประคองกายวาจานี่ให้ทำดีพูดดีไปให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 เว้นจากรักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกรรมเว้นจากดื่มสุราเมลัยกัญชายาผินเฮโรอีนของเสพติดไทษทั้งๆนี้เมื่อเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้วเอกการทําการงานอย่างอื่นนี่ก็มันไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรเลยวะนี้นะเป็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นทั้งนั้นเหตุนั้น ท่านเยววาสัมมาคมันโตในพวกทำการงานชอบคือเว้นจากทุจริตสามสี่ประการนั่นเสียแล้วมันก็ทำอะไรก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษนี่ต้องให้จำกัดลงอย่างนี้ความบุพเพื่อทางกายนะไม่ต้องไปเที่ยวสงสัยลังเลว่าทำอะไรเนะมันเป็นบาปบางคน ทั้งที่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มากมายยังสงสัยอยู่ก็มีอืมว่าทําอย่างนั้นมันจะเป็นบาปหรือไม่น้อหรือไม่เป็นบาปอย่างนี้นะก็มันสงสัยก็เพราะเหตุว่ามันไม่ได้หยิบยกเอาเรื่องบาปเรื่องโทษมาพิจารณาในใจให้แน่นอนเนื่องมันนะจําได้โยปานาติปาทาเวรมณีอย่างนี้ก็จําได้ทุกคนแหละ แต่แล้วเมื่อมันไม่ได้นอกเขามาพิจารณาในใจด้วยปัญญาแล้วมันก็ลืมเลือนไปนืมแล้วมันก็ไม่ค่อยจะรักษากายวาจาเมื่อตนทำผิดพูดผิดไปแล้วในขณะที่ทำไม่รู้ตัวเมื่อมารู้ตัวในภายหลังเสียใจแล้วว่านี่เออเราเนี่มันทาไปในสิ่งที่ไม่สมควรแล้ว สินเราขาดแล้วนี่แรีย ว, ว่าผู้ปฏิบัติที่ยังไม่รอบคอบไอ้ผู้ไม่ปฏิบัติดันมันไม่สะทกสะท้านอะไรหรอกมันจะทําผิดพูดผิดไปยังไงมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ตื่นตัวไม่ดังเกียรติความเป็นของตัวเองยังถือว่าตนนั้นดีอยู่ล่าไปอย่างนี้นะ นั่นเนี่ยว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมเสียเลยล่ะเ น, นี้ยไม่สนใจที่จะปฏิบัติเลยแต่คนที่สนใจปฏิบัตินี่เมื่ความว่าปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังปฏิบัติครึ่งคึ่งกลางกลางคำว่าสมทานสินกับสมทานไปแล้วก็ไม่น้อมเอาข้อสินต่างๆไปวินิจฉัยไปพิจารณา ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาของตนเองว่าศีลแต่ละข้อนั้นล้วนตั้งแต่ส่งเสริมให้ตนพ้นจากทุกในอบายภูมิทั้งสี่ทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะ เ, เมื่อตอนมีศีลทั้งห้าข้อนั้นด้วยดีแล้วอย่างนี่พูดถึงผู้ครองเรือนนะ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 มันสั่งสงควาโกรธไว้มากๆแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้ทําำรมชั่วเหล่านั้นได้อืเกิดจากความหลงการที่ปล่อยจิตให้ความหลงครอบงามเข้าไปแล้วมันก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรออการกระทาคําที่พูดว่ามันผิดหรือมันถูกไม่รู้เลยเมื่อความหลงครอบงามแล้วก็เมาไปเหมือนอย่างคนเมาเหล้าเนี่ย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 ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจึงมองเห็นแบบนี้นะอ๋อการที่ตนทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นที่ล่วงแล้วมาเป็นเป็นความผิดเป็นบาปเป็นโทษทั้งนั้นเลยไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญอะไรอย่างเงี้ยมันจึงมองเห็นเบื้องหลังของตนได้เป็นอย่างดีเลยแบบนี้เมื่อมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็ไม่สะสมเรื่องชั่วเหล่านั้นต่อไปอีกแล้ววันนี้อืม เมื่อก็ควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณด้วยดีเรื่อยไปการที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณสมมเสมอไปได้ก็เพราะอาศัยสติสมัมปชัญญะในควบคุมนั่นแ่ละคอยระมัดระวังไม่เผอตัวถ้าหากว่าเผอตัวมาความว่าสตินั้นระลึกไปทางอื่นเสียมากกว่า เช่นเอเกลเลตมันแทรกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเลยจิตคิดเป็นบาปอากุศลไปโดยไม่รู้ตัวเพื่อรู้ตัวที่ไหนมันพอแรงแล้วมันหลงไปมากแล้วอย่างงี้นะมันก็แก้ยากสี่แบบนี้นะนั่นเองดังนั้นจึงว่าอันดวงจิตนี่นะถ้าขาดสติสมวัชนิยะประคับประคองแล้วไม่เป็นท่าเลย เลวไหลไปหมดอืมดีมาถึงเข้าก็ไปตามเรื่องดีนะั่นชั่วมาถึงเข้าก็ไหลไปตามเรื่องชั่วออย่างนี้แหละเรียกว่าสิ่งใดมาจูงไปก็ไปตามไปเลยเพราะโลกอันนี้มันก็มีดีกับชั่วนี่แหละเป็นคู่กันอยู่เมื่อใจผู้ใดขาด สติสัมปชัญญะประคับประคองแล้วเช่นนี้นะมิแต่มันไหลไปตามยถากรรมเลยวะ น, นี่สุดแล้วแต่อารมณ์ใดมายัวย่วยวนก็ไปตามอารมณ์นั้นอมันเป็นอย่างนี้ให้เพ่งพากันสังเกตดูให้ดีแล้วเมื่อที่นี่ผูใ้ใดได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าไวมาฝึก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 ให้มันรังนับดับไปจา ก, กจิตใจความดีมันก็เกิดขึ้นในใจใจก็เ อ, อบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณสนที่ตนกระทําบาเพ็ญมานี่อุปมามันยังคนปลูกพืชลงในดินถ้าปล่อยให้หญ้าท่วมอย่างนี้พืชนั่นก็ไม่งอก ง, งามเลยสูบทีดไปแต่ถ้าไปตายหญ้าไปถอน พวัตชพืชพนั้นออกไปจากต้นไม้นั้นแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำเข้าไปอย่างเงี้ยต้นไม้นั้นมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้เต็มที่เลยไอ้จิตใจคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อรู้ว่าจิตนี้มันมีกิเลสครอบงมจิตใจอยู่มีกิเลสรบกวนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนี้นะ มีกิเลสเป็นศัตรูของขิดนี่อยู่เช่นนี้แล้วเราก็พยายามกำหนดละมันเรื่อ ย, อยไปเหมือนบุคคลพยายามถอนต้นหญ้าต้นไม้ออกากต้นไม้ที่มีผลนั่นเองเนี่ย อ, อย่านี้เมื่อเราเพียรพยายามละมันอยู่อย่างนั้น เบื่อหน่ายต่ออารมณ์มันชั่วรยต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ยินดีกับมันเลยอย่างงี้เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็เพียนละมันแหละคนเรานะถ้ามันไม่เบื่อหน่ายก็ไม่เพียรละแล้วก็ปล่อยให้มันเผาจิตให้เราร้อนอยู่จนมันจางหายไปเองมันจนจางหายไปเองมันอย่างนั้นไม่ใช่มันมันดับไปนะ มันส ง, งบลงไปซ่อนตัวอยู่ในจิตนั่นแหละเอเมื่อมันแผงเลยเต็มที่แล้วกิเลสนี่น่ะมันก็มันก็หลบซ่อนตัวอยู่ในจิตนั่นแหละทีนี้พอจิตมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงบุญกุศลได้บนี้จิตก็ยินดีพอใจในบุญในกุศลนั่นอ่ะกิเลสมันก็ไม่มีอำนาจที่จะครอบงำจิตได้ ในเวลานั้นนะให้สังเกตดูทีนี้บุคคลใดเมื่อสติอ่อนแออย่างนี้แล้วเวลาระลึกถึงบุญกุศลได้กระลึกไปกันไปไปแล้วผดสติมันก็เหลวไหลร ะ, ะลึกไปทางอื่นเสียอย่างนี้แล้วก็ลืมบุญลืมกุศลเข้าไปจิตใจไปหลงหินดีเย็นไรก็ไป กับเรื่องภายนอกไปแล้วบั น, น้กิเลตที่มันหมักดองในจิตใจมันได้ช่องมันก็โผล่ขึ้นเพราะงำจิตใจอืมพะมันได้เชื่อแล้วเนี่ยมันได้เชื่อจากภายนอกแล้ววันนี้มันก็ลุกโพรงขึ้นเหมือนอย่างไฟมันหมกเท่าอยู่นั่นเนี่ยเมื่อมันได้ยญ้าแห้งใบไม้แห้งอะไรไม้แห้งเข้าไปแล้ว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 เรามันต้องมีอบายวิธีมันต้องมีความรู้อย่างนี้การละความชั่วทำความดีมันก็จึงเจริญด้วยกุศลกุณงามความดีได้เพราะว่าความดีนี่มันมีความชั่วเป็นศัตรูมันเป็นอย่างนั้นคันเมื่อเริ่มทำความดีเข้าไปเดี๋ยวก็ความชั่วก็โผล่มาแล้วมารบกวนจิตใจให้พุ่งส่านเลื่อนลอยไป บางทีก็เลยทำความดีไม่ได้ซ้าใหญ่พุ่งสั้นเลื่อนลอยโอ้ทีแรกคิดว่าจะไปวัดดอกอย่างนี้นะพอมีเรื่องอะไรมากระโถงตั้งเข้าจิตใจวันไ้เดือดร้อนเข้าไปแล้วก็โอ้ใจไม่ดีไม่ไปวัดหรอกคราวนี้อืมก็ต้องงดไปวัดไปวากันไปแล้วก็ไม่ได้ไปฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าไม่ได้ไปฝึกจิตใจในที่สงบสงัด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 แม้เราจะไม่ได้นัง่งสมาธิภาวนาเราก็กําหนดเพ่งละกันอยู่ในอิริยาบถในอิริยาบถหนึ่งยืนอยู่ก็กําหนดละอยู่นั่นเละเดินไปก็กําหนดละมันอนั่งอยู่ก็กําหนดละมันนอนอยู่ก็กําหนดละมันอยู่อย่างนั้นเมื่อไหา่คว่าเราเพียรพยายามเพ่งอกําหนดละมันอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ไหวละกิเลสเรานั้นมันก็ ทนไม่ไหวพอใจไม่ส่งเสริมแล้วมันก็ค่อยดับไปดับไปเท่านั้นเองในที่สุดอารมณ์อันชั่วร้ายเหล่านั้นดับไปจากจิตแล้วจิตก็สงบสบายอ่าก็อย่างที่สแสดงมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นแหละไอปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเอามีความเพียรเพ่งพินิษเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาจิตใจมันวันไวแล้วก็ อย่าไปย่อท่อถอยหลังสู้ทาความเพียรทิ้งพินิดฐเมื่อเมื่อจับอารมณ์บันไดได้ว่าจิตใจวันไหวเพราะเรื่องนี้แหละอย่างนี้วก็กําหนดละมันเลือ้อยไปอย่างนี้นะไม่ส่งเสริมมันในการกําหนดละอารมณ์อย่างที่ว่านะั้นมันก็โรอนใจบ้างแหละเพราะอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นสื่อของกิเลส เมื่อเรากำหนดละมันมันก็แผงฤทธิ์ทาให้เกิดความรู้สึกทุกขเวทนาเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้นะนั่นฤทธิเดชของกิเลสนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเนะี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ต้องวันไหวกับมันนะอ่ะไม่ต้องวันไหวกำหนดละมันไปเรื่อยเอย มันจะทุกขเวทนาอะไรเกิดขึ้นก็อดกั้นทนทานไม่ย่อท้ออันนี้เรื่องของกิเลสมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เรื่องของบุญกุศลเป็นของเย็นเนี่ยเราก็เทียบกันได้อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจะไปปล่อยให้กิเลสมันเผารุนจิตใจอยู่นี่ทําไมแล้วเตือนตนเข้าไปก็สู้กับกิเลสแล้ววันนี้เพ่งพินิจกันอยู่ยนั่นละละกันอยู่อย่างนั้น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 ถ้าเราไม่ทำความเพียรอย่างว่านี่นะอยู่เฉยๆจะให้ปัญญามันเกิดขึ้นนี่ไม่ได้มันจะไม่เกิดอะไรขอให้เข้าใจ เ, าเมื่อเวลาที่เราทำการงานอะไรไปอย่างนี้นะแล้วมันมีเรื่องอะไรไม่ดีกระทบกระทั่งมานี่เอา้าเราก็กาหนดรู้การทำความเพียร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 นี่แหะปัญญามันย่อมเกิดขึ้นโดยอุบายที่เรามีความเพียรเพ่งพิงนิษอยู่ในจิตใจเสมอเสมอไปเมื่อเวลามีเรื่องอะไรกระทกกบกระทั่งมาเราไม่ย่อท้อให้เข้าใจไว้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทกกบกระทั่งมาแล้วจิตใจ ย, ย่อท้อว่อนไหลไปเลยเอจะเป็นอารมณ์ที่น่ารักกกแสดงความรักความใคร่ออกไป ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังก็แสดงความโมโหโทโศไปไออย่างนี้แล้วก็จิตใจนี้จะหาความสุขสม่ำเสมอไปไม่ได้เลยค้าวใดถ้าใจเป็นบุญเป็นกุศลเอา้านึกถึงบุญถึงคุณเข้ามาก็สบายใจไปคราวใดถ้าเผลอๆไม่ได้นึกถึงบุญถึงคุณ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 ที่มันทะเลาะวิวาทพิถียงกันถึงข่ากันตายอะไรพวกนี้มันก็ล่วนแต่ว่าไม่ได้รักษาจิตใจดวงนี้แหละอืต่างคนต่างก็ไม่ได้สำรวมจิตใจอันนี้เลยพอฝไฟหนึ่งเผอกระทบกระทั่งก็มาเดี๋ยวไยถูกกระทบกระทั่งกับเดือดร้อนขึ้นมาก็ต่อว่ากันเข้าไปอก็เลยทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกันไม่หยุดไม่ย่อนเอทุ่มเถียงกันเท่าไรยิ่งยั่วโทสะให้ แรงกล้าขึ้นไปเท่านั้นถ้าระ ง, งับจิตไม่ได้แล้วก็เอาแล้วลงไม้ลงมือแล้วประหัดประหารกันไปนี่ลองลองสังเกตดูสิคนเราที่จะได้เป็นกรรมเว็เวรต่อกันนี่เพราะว่าขาดการสำรวมจิตนี้เองขาดการตามรักษาจิตของตนไปทุกอิริยะบทนี่แหละให้เข้าใจ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 เราจะไปหาดวงจิตถ้าเป็นรูปร่างสีสรรวรนณะต่ า, างๆไม่มีไม่พบหรอกอย่าไปสงสัยหายใจเข้าเราก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะความรู้อันนั้นหนละคือดวงจิตความคิดดีคิดชั่วทั้งหลายก็เกิดมาจากความรู้อันนั้นแต่ความรู้อันนั้นนะ่ะถ้าไม่ได้อื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 ก็มีตะวันไว้ไปด้วยความยินดีเงินไร้ด้วยความโกรธความเกลียดความเสียใจความคับแคล่นใจต่างๆมันนี่แตจิตใจก็แปรผันไปอยู่ยนี่นี่แหละจิตใจที่มันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้อืเมื่อจิตใจเดือดร้อนเล่าร้อนเท่าไหร่มันก็แสบไป ห, หาทำชั่วทำความชั่วนั่นแหละวันนี้นะอืม ใครแสดงอาการอะไรอะไรออกมาไม่พออกพอใจก็โกรธเมื่อโกรธทางใจขึ้นมานก็แสดงออกมาทางวาจาด่าแช่งหรือพูดคำหยาบคายทั้งต่างนานา เ, เสียบแทงจิตใจของผู้นั้นเข้าอย่างนี้แหละหรือมหนึ่งก็แสดงกิริยาท่าทางทางกายเหมือนกับจะชกจะตีผู้อื่น นี่เรียกว่ากิริยาของความโกรธในใจมันแสดงออกทางกายเนะี่ไม่เป็นที่น่าพอใจของคนผู้ใดยินได้ฟังได้พบได้เห็นเลยอ่าหนึง่งจต้องเข้าใจอันนี้แหะเป็นเป็นต้นเหตุให้คนเราทําชั่วนะกิเลสเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นไกลกิเลสที่บุคคลจะตกอยู่ตต้หนากิเลสก็เพราะขาดความเพียรเพ่งพินิจ สัมรวมจิตดวงนี้อืมสัมรวมความรู้สึกอันนี้นะนั่นแหละไม่ให้ไม่ไม่สัมรวมใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเนี่ยไม่สัมรวมใจให้ตั้งอยู่ในปัญญาความรู้ความฉลาดปัญญาอันเป็นส่วนโลกีนี่นะ่ะถ้าเราไม่รักษามันก็เสื่อมได้ ไปอย่างนั้นจะพาเขาเข้าใจเทที่จะมันจะไม่เสื่อมเพราะทํำยังไงอ่ะเอาก็มันทําใจสงบเป็นสมาธิลงไปแล้วกรรมันพิจารณาที่นั่นแหละไอ้เรื่องใดที่เรายังไม่เฉมแจ้งในใจก็กําหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแเฉมแจ้งในใจอื เช่นใจยังไม่เห็นทุกตามเป็นจริงได้อย่างนี้นะเ อ, อพิจารณาเรื่องทุกอย่างที้เคยเทศให้ฟังมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่ห้นเลยเออแสดงอความทุกข์อย่างย่อเขามีอย่างพิษสานก็มออีหวังว่าผู้ฟังในก็ะคงจะพอเข้าใจได้อย่างย่อก็หมายความว่าคือทุกกายกับทุกใจนี่เอง น, ะออนั่นแหละ อย่างพิษทานก็หมายถึงเอความทุกข์กายก็หมายถึงว่ากายนี่มันเกิดมาแล้วมันต้องเลี้ยงดูกูเสื่อมันต้องหาอาหารมาเลี้ยงมันหาผ้านุ่งผ้าหม่มหาที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็หาหยุกหายามารักษาเนี่ยอนร่างกายนี่มันเป็นอยู่ด้วยความยากลำบาก เพราะอะไรจังเป็นนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงนี่อย่างนี้ถ้าพี่นารูทุกเนี่ยอย่างทิศ ด, ดานนะเมื่อมันไม่เที่ยงก็ต้องได้รักษาต้องบำรุงมันอยู่อย่างนั้นแต่บำรุงยังไงมันก็เป็นไปอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะถึงเวลามันจะวิบัติแปรปวนแล้วมันไม่ฟังอย่างคนเราอยู่ดีๆเนี่ยหมดเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เอาขึ้นแล้วไอ้คนสมัยนี้ยิ่งตายไวฮะนี่ ถ้าไม่ไปเช็คร่างกายกับหมอเป็นระยะระยะแล้วอย่างว่าคนอ้วนอย่างนี้ความดันโลหิตมักจะสูงขึ้นไปแล้วก็อาศัยความมัวความเมาไม่ได้ภาวนาดูสังขารร่างกายอันนี้ปวดหัวมาก็าหายาทัานใจมากินซะมันก็ระ ง, งับไปชั่วคราวนอนแล้วก็ปวดขึ้นมาอกีกกินยา ระ ง, งับปวดลงไปอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความดันโลหติตมันไม่ถอยซี่ป่ะนี่มันไม่ถอยเพราะกินยาระ ง, งับปวดเท่านั้นแล้วเมื่อมันดันขึ้นไปถึงสองลอยูนิตตนงเข้าไปแล้วนั่นหมอเขาช่วยไม่ได้เลยนะเอาลงไม่ได้เลยก็าตายเท่านั้นเองเนะ่ยคือเมื่อมันขึ้นไปเต็มที่แล้วอย่างนี้มันเส้นประสาทมัน รับรองโลหิตนั้นได้ไม่ได้โลหิต ด, ดันเราก็เส้นประสาทแตกคาว่าความดันโลหิตสูงหมายว่ามันดันขึ้นสมองนู่นนะอันมันทำให้เส้นสมองแตกแล้วก็ตายทันทีเลยนี่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้ภาวนาพิจารณาดูร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ถึงแม่ร่างกายอันนี้มันจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตวนก็จริงอยู่หรอก แต่ว่าดวงจิตนี่มันได้อาศัยร่างกายนี่สร้างบุญสร้างบา ร, รมีเนี่ยสร้างกุศลคุณงามความดีถ้าจิตนี่ไม่ได้อาศัยร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยเหมือนอย่างสัตว์สิ่งใดๆฉานอย่างนี้นะเราจะไปสอนมันยังไงยังไงมันก็ไม่รู้เลยอืม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 ได้รองรับเอาสมาธิได้รองรับเอาปัญญาได้นี่นะผู้พิจารณามีปัญญาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไอการที่จะระ ง, งับบาปออกจากกายวาจใาใจของตนก็ระ ง, งับด้วยสิลนันเป็นเบื้องต้นเลยอย่างนี้นะนี่ผู้มีปัญญาพิจารณานั้นก็เห็นตามที่แน่นอนทีเดียวอะ ถ้าบุคคลไม่สมัทานมั่นในศีล น, นี้แล้วมันจะละบาปไม่ได้เลยระงับบาปไม่ได้อืมเมื่อไม่มีศีลไม่ตั้งเจตนาวิรุธละเว้นจากกรรมชั่วนั้นแล้วอย่างนี้เวลาที่ไม่ได้พบเหตุที่จะให้ทํากรรมชั่วเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําอย่างนี้แหละคันไปไปเวลาได้ไปพบเหตุที่จะให้ทํากรรมชั่วเหล่านั้นมาถึงเขาแล้วมัน มันไม่ฟังมันทำไปได้เพราะมันไม่ได้ตั้งเจตนาวิรลาละเว้นนี้เรื่องมันนะเช่นอย่างว่าเอาอยู่อย่างนี้เราไม่ได้ทำปานาธิบาตอะไรแหละคันเดินไปเดินไปเ้วไปเจอสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นต้นว่ปลาหรือว่านกปีกหัดอะไรเป็นต้นหรอนี่ยเโอ้ยมันไม่ยอมให้อาภัยแล้วจับเอาไปต้มแกงกินเลย อย่างนี้แหละเรียกว่าบุคคลผู้ไม่ตั้งเจตนาวิรละละเว้นจากความชั่วนั้นนอย่างมั่นคงจริงๆแล้วมันละบาปไม่ได้เลยอืมดังนั้นการที่ผู้มั่นอยู่ในศีลอะไรอย่างนี้มันก็ละบาปอย่างงามนั้นได้เลยอืมเบ่งั้นละบาปห้าประการนั้นได้เลยอมวนนี้บุคคลผู้มีมาฝึกฝนจิตใจ เขาสวนให้สงบระ ง, งับเป็นสมาธิลงไปตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้มันก็ระ ง, งับบาปอย่างกลางได้บาปอย่างกลางคืออะไรคือความรักความชังความว่วงเหงาห้าวนอนความที่ปล่อยใจฟุ่งซ่านเลื่อนลอยไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้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 แต่เมื่อถึงเวลานอนมาแล้วมันก็ย่อมง่วงเป็นธรรมดาแต่ที่ว่าความง่วงเอาเหานอนในที่นี้ไม่ถึงเวลานอนมันก็ง่วงพอทําความเพียรเข้าไปเนี่ยนั่งสมที่ภาวนาลงไปอย่างนี้มันก็ง่วงขึ้นมาความง่วงมาครอบงํากายใจอันนี้ให้อ่อนเปี้ยเพรียรงลงไปอย่างนี้นะอันนี้แหละมันเป็นอุปสรรคต่อกุศลธรรม เมื่อจิตใจถูกความงว่องข้ อ, องำแล้วก็ไม่ไมีมมมสติปัญญาอะไรเลยคันวันนั่งอยู่ก็นั่งหลับอยู่เท่านั้นนั่งหลับนั่งฝันไปไปงานพอนอนลองก็หลับไหลไปเลยก็ไม่ได้อะไรแล้วนี่เพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมเน่ยเมื่อยังไม่ถึงเวลา น, นอนไม่นอนมันนี่ต้องฝึกตนไป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 เดินโกลมนี้หมายควาว่านั่งนานๆไปแล้วมันปวดแข้งปวดขาแล้วก็ลุกไปไปเดินเหยียดเส้นเหยีย ด, เ, ยดเอน็นให้มันหายปวดหายเด็ดแล้วเวลายังอยู่ก่นนั่งภาวนาต่อนี่เพียรพยายามอยู่เนี่ยเราถึงสี่ทุมเราจึงค่อยหลับค่อยนอน เ, ออเมื่อนอนหลับไปแล้วเอา้า ตีสองหรืออย่างมากกับตีสามก็ตื่นอย่างนี้นะหัดให้ตื่นตามเวลาอธิษฐานจิตไว้เราจะต้องตื่นตามเวลาที่ทำข้อวัดไหวพระสวดบนนั่งภาวนาฟังธรรมตามวัดข้อวัดปฏิบัติที่ทำกันมาเนี่ยอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้แล้วจึงหลับไป นั่นแหละเอานาจความอธิษฐานนั้นแหละมันจะปลุกให้ตื่นขึ้นทันกับเวลาถ้าผูใ้ใดไม่อธิษฐานใจไว้ไม่กำหนดใจไว้อย่างนี้แล้วเออมันก็นอนหลับนอนไหลไปเลยเวลาเวลาไปไม่ได้ลุกมาทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมอะไรกับเพื่อนนั่งภาวานาก็ไม่ได้อะอย่างนี้นี่ มันก็ทําให้ผู้นั้นเนิ่นช้าอ่านี่แหละบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นในใจถ้าปล่อยให้ความง่วงเหงาครอบงําอย่างว่านั่นอาปล่อยให้จิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้บุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจที่พุ่งซ่านเลื่อนลอยนั้นไม่ได้ถ้าปล่อยให้จิตนี่สงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่อย่างนี้นะบุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้อืม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 บุญกุศลนี่ท่านแสดงไว้ว่ามันเกิดขึ้นจากจิตเมื่อทำจิตนี้ให้สงบเย็นสบายลงไปได้แล้วแล้วก็ เ, เว้นจากคำมันชั่วดังที่กล่าวมาแล้วนั่นและวจิตสบายอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็นี่แหละบุญกุศลนั่นจะหมายเอาอะไรบุญกุศลก็เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่าง เมื่อเมื่อผู้ใดพิจารณ า, า, าเข้าใจได้อันนี้มันก็หายสงสัยในเรื่องบุญนะในเรื่องบาปมันก็ตรงกันข้ามนั่นเองเนะี่ยเมื่อจิตเราร่อนอยู่ด้วยความรักความชางังความโกรกความมัจยาบาดอะไรต่ออะไรหมู่นี้มันก็จิตเป็นบาปแล้วนะสร้างบาปให้เกิดขึ้นมันก็มันก็พิจารณ า, าไม่ยากอะไรนะเรื่องบาปลักษณะอาการของบาปมันก็เป็นอย่างนั้นเนะอเพราะฉะนั้นนะอย่าไปสงสัยอะไรแล้วงี่นะ เมื่อว่าบาปนั่นพระศาสดาสอนให้ละเมื่อความโกรธความไมยาไหวอะ้รเกิดขึ้นในใจก็เพ่งกำหนดเตือนใจให้ละความคิดความรู้สึกอันนั้นเสียอย่เงี้ยเพ่งละมันอยู่นั่นจนว่ามันดับไปมันไม่ดับก็ไม่ถอยเพ่งละมันอยู่อย่างนั้นทนต่อความเพ่งไม่ไหวมันก็ดับไปแหละกิเลสล่านั้นนะเมื่อกิเลสนั้นดับไปจิตใจก็รู้สึกเย็นสบายขึ้นมา นี่แหละเรียกว่าความเป็นผู้ไม่สงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆหมนี้นะเราได้พิจารณาให้เห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วเมื่อกิเลสเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในขณนะที่เรานั่งสมาธิภาว น, นาลงไปนีเรา ก, ก็กำหนดละมันอย่างที่ว่านะไม่ยอดท้อเลย